กําลังกายให้เกิดภาวะพร้อมรู้ตามจริงรู้สึกเท้ากระทบไปเรื่อยๆเมื่อใจแวบไปฟุ้งซ่านก็ดึงกลับเมื่อรู้อีกการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นที่จิตไม่ใช่ที่กายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปทานสี่หมวดกายว่ากายอยู่ท่าไหนก็รู้ความเป็นกายท่านั้นเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามจริงว่า กายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราการรู้เกิดขึ้นที่จิตกายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้การออกกําลังกายจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าหากเกิดภาวะรอมรู้ตามจริงจิตเล็งรู้อาการทางกายอย่างไรแล้วโลกภายในสงบเงียบลงความรู้สึกทั่วพร้อมทางกายแจ่มชัดยิ่งยิ่งขึ้นก็อ น, นั้นแหละ เริ่มเป็นสมถะภาวนาแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือการวิ่งสายพานหรือวิ่งเหาะไปบนทางรู้สึกถึงเท้ากระทบไปเรื่อยๆใจแวบไปฟุ้งซ่านเมื่อไรก็ดึงกลับมารู้อีกกระทั่งจังหวะกระทบแจ่มชัดความคิดฟุ้งซ่านเว้นวักยาวนั่นแหละที่เรียกว่าเกิดภาวะรอมรู้ตามจริงคือจิตเป็นสมาธิมากพอ ที่จะเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเดิมทีเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในหัวคุณจะรู้สึกว่าเราเป็นคนคิดเคลื่อนไหวอยู่แต่เมื่อพร้อมรู้ตามจริงคุณจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวรู้นิ่งว่างอยู่เมื่อว่างอย่างรู้พอพายุ ค, ความฟุ้งซ่านจะก่อตัวขึ้น หลวงจิต ท, ที่รู้จะไหวทันเห็นสัจธรรมว่ามีคลื่นรบกวนก่อตัวขึ้นในหัวก่อตัวเสร็จก็ค่อยๆเสื่อมลงสู่ความสงัดเงียบไม่มีตัวใครเกิดขึ้นไม่มีตัวใครหายไปเริ่มเห็นครั้งแรกจะไม่มีอะไรแตกต่างแต่เมื่อเห็นลหลายๆครั้งเข้าจิต ท, ที่พร้อมรู้นั้นจะเริ่มแปลเป็นจิต ท, ที่รู้กระจ่าง เกิดปัญญาจำชัดเห็นทั่วพร้อมว่าความรู้สึกกระทบทางกายบางครั้งเห็นบางส่วนบางครั้งเห็นทั้งตัวบางครั้งก็หนักทึบบางครั้งก็โปร่งใสส่วนความฟุ้งซ่านในหัวบางครั้งก็เกาอตัวอ่อนๆบางครั้งก็เกาอตัวหนักๆบางครั้งก็รู้ทันง่ายบางครั้งก็รู้ทันยาก สรุปคือถ้าโฟกัสถูกโฟกัสอะไรแล้วใจสงบจากกิเลสก็นับเป็นสมถะทั้งนั้นและจิต ท, ที่รู้กระจ่างนั่นเองคือตัววิปัสนาที่แท้จริงไม่ว่าจะออกกําลังกายเล่นโยคะซักผ้ากับมือวิ่งเหาะหรือกระทั่งเดินขึ้นลงบันไดเราเอามาปฏิบัติธรมได้หมด